ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาสัมปันโนสนาตอนที่42ไม่สนับสนุนการสร้างวัตถุหรูหราและพระบ้านพระป่าก็คือพระหลวงตามหาบัญญาสัมปันโนได้ให้อวัตธรรมเอาไว้ว่า ให้สร้างความดีให้อบรมตัวให้ดีความดีมีแล้วไปไหนไปเถอะตายแล้วไม่ต้องนีบนพระมากุศลาธรรมาคนนี้นายกนายขอตายแล้วไปไหนหนาไม่ต้องมากุศลแหล ะ, จะเจริญคุณงามความดีให้มากต้านทานความชั่วช้าหลามกทั้งหลายไม่ว่าเด็กว่าผู้ใหญ่ถ้าไม่มีเครื่องมือเป็นเครื่องต้านทานแก้ไขกันแล้วจะเสียหายเสียหายมากมายเสียบ้านเสียเมือง เสียผู้เสียคนนี่เสียมากกว่าวัตถุสิ่งของเงินทองเสียไปนะเสียคนนี้เสียหายมากเสียคนแล้วก็เสียบ้านเสียเมืองเพราะสิ่งนโรคจกเปรทั้งหลายมาทําลายนั่นแหละให้พากันฉลาดทั้งสองทางทางโลกคือสังขารร่างกายการอยู่การกินการใช้การสอยการให้มีกุศลสําหรับเป็นอาหารหล่อเลี้ยงน้ําใจอันนี้สําคัญมากให้มีอันนี้เป็นหลักใหญ่เลย หลักใหญ่กว่าส่วนร่างกายร่างกายเป็นได้ไปทั่วคนมีคนจนมีอยู่ทั่วโลกนั่นแหละแต่ใจขออย่าให้จนเราทราบอย่างนี้แล้วถึงจะไม่มีวัตถุทายาทานอะไรก็ตามรื้อคุณงามความดีรื้อถึงพุทโธธรรมโมสังโคหรืร้ถึงความดีความช่วยอย่าทำนี้เป็นการสร้างความดีไว้ตลอดตลอดแล้วความดีมีได้หลายทางให้พากันสร้างเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตายไปมันไม่ศูนย์จิต ด, ดวงเดียวนี้พอออกจากนี้ไปก็ออกไปตามวิบากกรรมคือกรรมดีกรรมชั่วฉะนั้นท่านจึงให้สร้างกรรมดีไว้เพื่อสนับสนุนจิตใจหลวงตามหาบุวญาสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านในขณะมาสร้างวัดป่าบัานตาดจังหวัดอุดรธานีเอาไว้ว่า ศาสนธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าวัตถุเครื่องก่อสร้างให้กังวลวุ่นวายเราคํานึงถึงเรื่องนั้นต่างหากนะปุตติหลังที่เราสร้างขึ้นนี้เขาส่งเงินมาเขาเห็นเราอยู่กระสอบสูงแค่เขา่าพื้นก็สับไม้ไผ่เป็นฟ้ากูสร้างด้วยฟางมุงไดยยากเราอยู่นั้นพังไปสามหลังหลัที่สถึงได้ปลูกหลังนี้ขึ้นมาเพราะปลวกกินต้นเสาล้มล ง, ลงผลมากๆที่ศาลา เขามาต่อว่าเรายัางร้องไห้อีกด้วยบอกว่าครูบาอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยมาดูปุติแล้วหลังเท่ากับปั้นจะอยู่ได้ยังไงเราก็ว่าเอาปั้นจะอยู่ในท้องของแม่เป็นยังไงท้องของแม่กับปุติหลังนี้อะไรมันใหญ่กว่ากันปุติหลังนี้ยืนได้เดินได้นั่งได้เราได้อย่างสะดวกสบายไปมาได้ส่วนในท้องแม่ไปไหนได้ไหม คับแค่ยิ่งัวนี้ยังอยู่ได้ตั้ง9้าเดือนสิเดือนอันนี้ขนาดนี้แล้วทาไมจะอยู่ไม่ได้ถ้าต้องการกว้างๆก็ไปอยู่ทุ่งอยุธยานั่นละสิเขาฟังแล้วเขาก็ไม่ยอมสิกลับไปเขาส่งเงินมาทีนี้เราไม่ได้มีข้อสั่งเสียหรือมีข้อแม้อะไรเอาไว้จะส่งกลับคืนก็เหมือนประชดกันนี่เลยได้ปลูกนะเรื่องเป็นอย่างนั้นใครไม่ทราบก็ทราบเสียจากนั้นเราก็สั่งเลยเทียวใครจะส่งสินของเงินทองมาถวาย มาให้เกี่ยวกับการก่อการสร้างในวัดประบ้านตากนี้แล้วต้องให้เราทราบเสก่อนถ้าส่งมาสุมี่สม4้าก่อนหน้าอย่างนั้นไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ตกลงกันแล้วส่งมาเท่าไหร่ก็ไม่สาเร็จต้องบอกอย่างนั้นเลยศาลานี้เขาก็อยากจะมาทาใหม่ให้เราก็ไม่เอาตีเพดานให้เราก็ไม่ให้ตีนั่นนี้มันเหมาะแล้วพอดีแล้วก็รู้ไปอะไรเรื่องโลกโลกให้โก้รู้อยู่ภายในหัวใจสิ เจสว่างกระจางแจ้งอยู่ภายในนั่นขออัศจรรย์อยู่ตรงนั้นต่างหากไม่ได้อยู่กับหินกับทรายกับอิฐปูนกับเหล็กละอะไรนี่อยู่กับธรรมต่างหากธรรมกลมเกลืนกันกับใจแล้วเจอกับธรรมต่างหากประเสริฐหรูหราธรรมพออยู่ไปได้ไปเตือนอะไรกับโลกเขาโลกก็รู้แล้วว่าโลกถ้าโลกกับธรรมเป็นอันเดียวกันจะมาแยกพูดทำไมว่าโลกว่าธรรมมันไม่เหมือนกันละสีวัดกับบ้านจะให้เหมือนกันได้ยังไง เราไม่อยากให้ขัดธรรมก็ขอให้ธรรมเจริญรุ่งเรืองอยู่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นรถยนต์จะเอาจีคันถ้าจะเอาสําหรับวัดนี้เอามาทำไมรถเต็มแผ่นดินจะขึ้นคันไหนลูกศิษย์คนไหนเขาพร้อมเสมออย่าให้ขึ้นรถเขาเราไม่เหตุมีผลทุกอย่างที่ห้ามอะไรพระหามาอะไรไม่ใช่คาวาะอันนี้เป็นเรื่องของโลกเขาใช้กันพระเป็นเพียงอาศัยความสะดวกไปกับเขาเท่านั้นจะมาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวของตัว เป็นเจ้าของรถราขึ้นมามันก็เหมือนโลกเข้านาสีไก ฟ, ฟ้าเขาจะเอามาเข้าวัดเราก็ห้ามมานานแล้วตั้งแต่โรงไฟฟ้าอยู่โน่นอุดรเขาจะขอเอาเข้ามานั่นเกือบ20ปีแล้วแหละถ้าอนุญาตก็เข้ามาก่อนบ้านก่อนเมืองเขานานเท่าไหร่เราก็ไม่เอาเหตุผลต้นปลายของมันที่จะมีส่วนเสียกับเอาไฟเข้าวัดมีอะไรบ้างเราชิดหมดแล้วโทรศัพท์ก็จะมาติดขึ้นอีกตั้งแต่ไม่มีไฟฟ้า ก็ยังมีโทรศัพท์มาขอสองครั้งว่าอุดรจะมาติดต่อเราจะขอตั้งโทรศัพท์ที่วัดเพื่อการติดต่อสะดวกเราก็ให้เหตุผลไปว่าก็าอุดอกรกับวัดนี้ไม่เห็นไกลกันไม่เหตุผลอะไรมีความจําเป็นอะไรรถยื่นไปมาหาครู่เดียวก็ได้ไม่เห็นจะต้องก่อความยุ่งยากให้วัดให้วาตลอดเวลาไปเพราะการมีโทรศัพท์ระวะอย่างนี้ศาลาใหญ่บริเวณหน้าวัดเขามาขอไม่รู้กี่ครั้งกี่หนคราวนี้ บริษัทกระทิงแดงกับเสียดีนก่ายยกทัพมาขออีกเราพิจารณาเหตุผลเลยอนุญาตให้สร้างศาลาใหญ่แต่ไม่ให้มีปูชั้นนั้นชั้นนี้เป็นห้องเป็นหับไม่ให้มีให้โล่งไปหมดเลยเขากะความยาวห้าบ้าเมตรความกว้างสิหเมตรเราพิจารณาเหตุผลเรียบร้อยแล้วเราก็อนุญาตให้เลยเวลาเราอนุญาตฟาดเสีย60ิเมตรกว้าง30สเมตรเขายิ่งพอใจใหญ่เลยนะขนาดนั้นมันถึงพอคนเพราะสถานที่นั้น เป็นสถานที่รวมงานงานแต่ละครั้งคนจะนั่งได้หมดเหลืองตามหาบัวยานสัมปโนได้เล่าถึงพระบ้านพระป่าก็คือพระเอาไว้อย่างน่าฟังว่าคําว่าพระแล้วเป็นความเสมอภาคเป็นลุสิตรถาคตด้วยกันทั้งนั้นจึงไม่ขึ้นอยู่กับคําว่าพระบ้านพระป่าอันนี้แยกออกไปขอให้เข้าใจตามความนิยมของโลกเฉยๆเรื่องหลักธรรมหลักวินยัยไม่มีส่วนใดมีน้ําหนักต่างกัน มีน้ำหนักเท่ากันในความเป็นพระด้วยเหตุนี้ทุกๆ ท, ท่านที่มาอบรมศึกษาจงตั้งจิตตั้งใจให้ดีให้มีความขยันมันเพียนพลิ ก, กจิตพลิกใจพลิกความรู้สึกที่เคยเป็นมาในคารวะอันดั้งเดิมนั้นออกโดยลําดับเพื่อให้เข้ากลมเกลืนกบับหกธรรมชาติหลักธรรมวินยัยหลักความประพฤติอันเป็นเรื่องของพระโดยตรงทั้งยังเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนพระสงฆ์ด้วยการอีกด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องทิินพิจารณา สังเกตสอดรู้ให้รอบคอบในความคิดความเห็นความประพฤติของเราเพื่อให้มีความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นหนึ่งอวัยวะเดียวกันพระเราอยู่ด้วยกันเป็นเหมือนอนวัยวะเดียวกันเมื่ออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งขัดข้องขึ้นมาก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ภายในร่างกายส่วนอืนน่นไปด้วย ท, ทั้งทั้งที่ส่วนเหล่านั้นไม่ได้พิกลวิการก็ทําให้กระทบกระเทือนถึงกันได้นี่การอยู่ร่วมกันก็เป็นเช่นนั้น อะไรใดก็ตามที่แสดงความไม่เหมาะสมขึ้นมาโดยทางกิริยามารยาทจะเป็นทางกายทางวาจาก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะเป็นเหตุที่จะให้กระทบกระเทือนทั้งหมู่คณะที่อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขให้ได้รับความเดือดร้อนอุ่นวายหรืออย่างน้อยก็เป็นอารมณ์ข้องใจต่อกันไม่ดีเลยจงพากันระวังให้มากไม่ด้อยกว่าการรักษาใจตัวครื่องนองอยู่เป็นประจำ